ทำใดทำให้เป็นคนน่าสงสารถามเหตุใดบางคนจึงดูน่าสงสารน่าให้ความช่วยเหลือแต่บางคนถึงแม้ตกทุกข์ได้ยากเห็นแล้วก็อยากสมน้ำหน้าสงสัยจริงๆว่าผมอุปาทานไปเองหรือว่ามันเป็นกรรมติดตัวแต่ละคนกันแน่ครับตอบส่วนที่เป็นอุปาทานก็มีครับสับเฉพาะเขาเรียกอัคติ อคติจะทําให้เราตัดสินทันทีว่าคนนี้เก๊กท่าหน้าหม่นใส้หรือบางทีกล้กลาๆยอมรับหน่อยก็บอกตัวเองตรงไปตรงมาว่าไม่ถูกจะตากับยายคนนี้หรือนายคนนั้นโดยไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลมาอธิบายให้เสียเวลาเอาเป็นว่าไม่ชอบขี้หน้าแล้วกันเมื่อไม่ชอบกันซะแล้วตั้งแง่หม่นใส้กันซะแล้วอย่าว่าแต่เขาตกทุกข์ได้ยากแล้วอยากสมน้ําหน้าเลย ถึงเห็นเขาอยู่สบายๆก็จะแแ่งให้เขาตกระกรรมลำบากได้ครับคุณจะไม่ค่อยเห็นคนธรรมดาทั่วไปมีความน่าสงสารเป็นพิเศษเพราะแต่และคนสงสารตัวเองกันเป็นหลักอยู่แล้วกรรมที่อยากจะให้คนอื่นมาสงสารตนนั้นมีผลทันทีเป็นการส่งคลื่นรบกวนออกไปทำให้ใครๆอึดอัดและมองคุณเป็นก้อนพาระอะไรก้อนหนึ่ง สังเกตเถอยิ่งคนเราสงสารตัวเองเท่าไหร่โทสะก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นตีโพยตีภายฟูมฝายมากขึ้นเท่านั้นโลกเราเต็มไปด้วยคนชอบโอดครวนรำบ่นเรื่องของตัวเองให้คนอื่นรับรู้และหันมาใส่ใจเห็นใจหรือกระทั่งร้อนใจไปกับเรื่องของตนถามตัวเองว่าคุณอยากอยู่ใกล้คนที่มีคลื่นโทสะล้อมรอบ ให้พลอยเร่าร้อนตามเข้าไปด้วยไหมสำหรับคนน่าสงสารนั้นจะแตกต่างออกไปคือเงียบเงียบหงิมหงิมไม่ชอบเรียกร้องไม่ชอบให้ตัวเองเป็นภาระของคนอื่นไม่อยากรบกวนในใครต้องมานั่งฟังปัญหาของตนแต่ยังไม่แข็งแรงพอสุขภาพจิตยังไม่ดีเลิศขนาดชนะความเศร้าเหงาของตัวเองได้ กรมโดยตรงที่ทำให้ใครต่อใครรู้สึกเมตตาสงสารอยากช่วยเหลือนั้นก็คือการเคยมีเจตนาชุบเลี้ยงผู้อื่นหรือสัตว์ในบ้านให้อยู่ดีมีสุขมีความอบอุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคยช่วยเหลือเจือจานคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงเป็นประจำอย่างนี้ถ้าจับพลัดจับปลตกระกรรมลาบากขึ้นมาก็จะมีคนอยากอุปถมัมภ์ หรือช่วยส่งเสริมให้รอดพ้นจากสถานภาพย่ำแย่ทันทีไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติเอาแค่ชาติปัจจุบันก็เห็นผลได้แล้วเพราะกระแสะการช่วยเหลือคนและสัตว์มากๆย่อมเป็นภาวะติดตัวและโดนใจให้ใครๆแทบอยากยื่นมือเข้ามารับผิดชอบภาระแทนทันทีถ้าไม่มีบุญติดตัวและน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือใครไว้ก่อน หรือกระทั่งเคยชอชนเอารัดเอาเปรียบใครๆมามากบันดาลโทสะแล้วด่าทอได้ไม่ยัง้งอย่างเนี้ยต่อให้เสแส้งแกล้งทําท่าน่าสงสารก็จะไม่มีใครเข้าสงสารตรงข้ามจะรงคาญหรือรู้สึกเหมือนอยากซ้ำเติมเข้าให้อีกมีอยู่นะครับที่บุญเก่าจากอดีตชาตินั้นดีมากช่วยคนและสัตว์ไว้มากจนหน้าเอ็นดูใครเห็นใครก็รักอยากช่วยเหลือ อยากหยิบยื่นอะไรต่ออะไรให้แต่ชาตินี้คิดผิดอาจเพราะได้ตัวอย่างไม่ดีหรือคบเพื่อนเลวเห็นไปว่าคนทั้งโลกโง่กว่าตนหลงหลตนแบบไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นแปลว่าทั้งโลกมีหน้าที่ต้องเอาอะไรอะไรมาให้ตนตนเองไม่ต้องให้อะไรใครเสร็จแล้วอาจพัฒนาขึ้นเป็นการเห็นว่าถ้าใครไม่ให้ก็ต้องทวง หรือพยายามหาทางหลอกล่อช่อชนเอามาเป็นของตนให้ได้เรียกว่าเป็นโรคหลงบารมีเก่าใครไม่มาสวามิภักดิ์เป็นต้องเห็นดีกันอะไรทำนองนั้นพอล่อลวงเขามากมากบาปก็พอกเพิ่มขึ้นทุกทีเป็นเงาตามตัวจนถึงวันหนึ่งถึงเสแส้งแกล้งน่าสงสารอย่างไรก็ไม่มีใครเขาอยากช่วยอีกต่อไปตรงนั้นแหละ จะน่าสงสารขนาดแท้เพราะวิบากร้ายจะเริ่มให้ผลดุดมีกองทัพมาปล้นแถมหันไปทางไหนก็ไม่มีใครอยากยื่นมือมาให้จับอีก